ขันตักน้ำดื่มที่โรงไฟก็มีกระทะรองฐานและไม้ฝืนเป็นต้นที่ฝาผนังแห่งบาาระณศาลาเขียนอักษรไว้ว่าใครๆมีประสงค์จะบวชจงถือเอาบริขารเหล่านี้บวชเถิดแล้วไปสู่เทวโลกสุเมธบันดิตไปสู่ปาหิมพานตามทางแห่งซอกเขามองหาที่ผาสุขควรจะอาศัยอยู่ได้ของตนมองเห็นอาสมหน้าเรื่นรมที่วิสุนุกรรมเท พ, พ บ, บุตรเนรมิตไว้ อันเท้าส ก, กะประทานให้ที่ทางไกลที่ทางไหลนะแห่งแม่น้ำนะคือน้ำก็ไหลผ่านนะเท่ที่ที่ใกล้ๆน้ำเนี่ยมันดีมกันนะมันอากาศมันจะสดชื่นนะมันจะเย็นจึงไปที่ท้ายที่จงกรมมิได้เห็นรอยเท้าจึงคิดว่าบรรพชิตแสวงหาพิกขาในบ้านใกล้แล้วเหน็ดเหนื่อยจากมาเข้าไปสู่บนนาารรณศาลาแล้วนั่งแน่แท้ จึงรออยู่หน่อยหนึ่งคิดว่าบรนประชิตชักช้าเหลือเกินเราอยากจะรู้นักจึงเปิดประตูกุฏิบรรณาศาลาเข้าข้างในตรวจ ด, ดูข้างโน้นและข้างนี้อ่านอักษรที่ฝาผนังแผ่นใหญ่แล้วก็คิดว่ากัปปยะบริขารเหล่านี้เป็นของเรากัปปิยะนี้แปลว่าของสมควรเนี่ยนะของสมควรแก่เราเราจะถือเอาบริขารเหล่านี้บวชจึงเปลื้องทิ้งผ้าสาดกทั้งคู่ที่ตนนุ่งและห่มแล้ว พอเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเราเปลื้องผ้าสาดกไว้ในบรรณศาลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนสาริบุตรเราเข้าไปเลยอย่างนี้แล้วเปลื้องพิ้งผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษเก้าประการเอาไว้ในบรรณสาลานั้นผ้าสาดกคือผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยนะที่พวกเรานุ่งห่มกันเนี่ยมีโทษอยู่เก้าอย่างด้วยกันฟังดูนะรู้หรือเปล่าว่าเอ๊ะที่ห่มหมอยู่นี่มีโทษยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นเมื่อจะเปลื้องทิ้งผ้าสาดกจึงเปลื้องทิ้งไปเพราะเห็นโทษเก้าประการจริงอยู่สำหรับผู้ที่บวชเป็นดาบทโทษเก้าประการย่อมปรากฏในผ้าสาดคือหนึ่งมีค่ามากของมีค่าก็มีโทษอันหนึ่งแล้วนะโทษข้อแรกคือมีค่าเกินไปข้อสองเกิดขึ้นเพราะเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นโอโนี่จะต้องพึ่งพิงบุคคลที่สองที่สามไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นสักที ข้อสามเศร้าหมองเร็วเพราะการใช้สอยโอ้ใช้พักเดียวเดี๋ยวก็เม็นทั้งเม็นทั้งอับสารพัดนะสี่เศร้าหมองแล้วก็ต้องซักต้องย้อมการที่เก่าไปเพราะการใช้สอยก็เป็นโทษอันหนึ่งเหมือนกันใช้ก็เศร้าหมองซักย้อมอยู่นั่นแนะ่ละไม่แล้วสักทีงห้าก็สําหรับผ้าที่เก่าแล้วจะต้องทําการชุนหรือใช้ผ้าดามการที่จะได้รับการแสวงหาอีกก็ยากอันนี้ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่ง อันนี้สำหรับปรือสีนะก็จะคิดว่าโอ้โมแต่ไปหาผ้าปะ ผ, ผ้าดาอยู่นั่นแหละไม่ไหวหวังกันเถอะไปที่ไม่ไว้นี่มันเสียเวลาเจริญฌานของท่าน อ, ะอ่ะไม่เหมาะกับการบวชเป็นดาบทอันนี้ก็เป็นโทษีดีระกันนึงก็เจ็ดก็เป็นของทั่วไปแกศัตรูนี่เป็นโทษอันหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยน ะ, ะโรงงานทอผ้ามันมากขนาดนี้เนี่ยถ้าห่มผ้าดีๆเดี๋ยวก็ทุกโจรมาข อ, อาไปใช้แย่เลย ข้อแปดนะนะจะต้องคุ้มครองไว้โดยอาการที่ศัตรูจะถือเอาไปไม่ได้เป็นเครื่องประดับประดาของผู้ใช้สอยอันนี้ก็เป็นโทษประการหนึ่งก็เป็นเครื่องประดับด้วยนะเสื้อผ้านี้เป็นทั้งเครื่องประดับด้วยแล้วก็ศัตรูก็หมายปองด้วยข้อเก้าสำหรับผู้ถือเที่ยวไปคนม า, มากในสิ่งที่เป็นของใช้ประจําส่วนตัวอันนี้ก็เป็นโทษอันหนึง่งก็คือถือเนี่ยมันก็โลภ้ามันก็จะเกิดมัวแต่ยินดีในผ้านะตบแต่งบริขารนี้นั่นแหละ อันนี้ก็เป็นโทษของการใช้สอยบางือนกนเถิบทว่าวากจีรังนิวาเสสิงความว่าดูกรสารีบรครั้งนั้นเราเห็นโทษ9ก้าประการเหล่านี้จึงเปลื้องทิ้งผ้าสาดกนุ่งผ้าเปลือกไม้คือใช้ผ้าเปลือกไม้ที่ฉีกยญ้ามุงกระต่ายให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ถักเข้ากันกระทําขึ้นเพื่อประโยชน์จะใช้เป็นผ้านุ่งและผ้าห่ม ไปเก็บเอาญ้าญ้ามาถักๆเป็นผ้านุ่งอ่ะโอ้น่าดูเัมนนะนึกว่าเอกล้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดที่อินเดียอาจจะกล้าก็ได้นะถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนนะว่านักบวชเนี่ยไปใช้แบบนั้นทําแบบนั้นได้เนี่ยก็คงจะทําทําได้เหมนกนะคือมันแค่ทําใจหน่อยเดียวก็ทําได้แล้วท่าที่เราใช้สอยเนี่ยมีโทษเก้าอย่างนะสําหรับในสายตาของฤาษีนะทวารทศคุณะมุปาคาตัง คือประกอบด้วยอ น, นิสงส์12ประการก็ในภาพเปลือกไม้นี่มีอ น, นิสงส์12 อ, อย่างคือราคาถูกดีสมควรนี้เป็นอ น, นิสงส์อันหนึ่งก่อนข้อแรกก็คือมันถูกนะข้อสองสา ม, มารถทําด้วยมือตนเองผลิตเองได้เลยสามจะเศร้าหมองช้าๆด้วยการใช้สอยแม้ซักก็ไม่ชักช้านี่ก็อ น, นิสงส์ข้อสามใช่ไหมไม่เดือดร้อนเลยการซักการ ย, ย้อมเนี่ย ข้อต่อไปก็บอกแม้จะเก่าไปเพราะการใช้สอยก็อนไม่ต้องเย็บผ้านะไปเก็บเอาหญ้ามาถักๆนะจะไปเดือดร้อนเรื่องเย็บอยังไงเนาะข้อต่อไปก็บอกเมื่อสแสวงหาใหม่ก็ทําได้ง่ายนี่เป็นอันิสสงข้อห้านะจะหาอีกก็ว่าวัตถุดิบเพียบเลยข้อหกเหมาะกับการบวชเป็นดาบดนี่เป็นอันิสสงข้อหกข้อเจ็ดก็คือผู้เป็นศัตรูไม่ใช้สอยเป็นอันิสสงข้อเจ็ดนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาขโมยไปใช้เนี่ยนาะ ข้อแปดเมื่อใช้สอยอยู่ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งการประดับประดาไม่ชื่อว่าเป็นการประดับตกแต่งอะไรข้อแปดจะนุ่งห่มก็เบาเบาจริงๆนะหม่มข้อเก้าแสดงว่ามักน้อยในตัดใ จ, จคือจีวรอปิชตานะคือมักน้อยนะเป็นความมักน้อยแล้วก็สิบการเกิดขึ้นแห่งเปลือกไม้เป็นของชอบทำและไม่มีโทษ ไม่ต้องมีคนดูแลบํารุงรักษาปลูกหญยาชนิดนี้หรอกข้อสิบสองก็บอกว่าเมื่อภาพเปลือกไม้แม้จะสูญหายไปก็ไม่มีอะไรไม่อาวอนสักอย่างเลยนะไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ภาพเปลือกไม้หายไปพื้นนึงอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บมาถักๆๆแล้วห่มต่อได้สบายนี่อันที่สองของการใช้ภาพเปลือกไม้นะเดี๋ยวไปเรียนแบบเนี้ยนะะภาพโรงงานสมัยนี้ก็พอหาได้หรอกไม่มีใครมาแย่งไปหรอก แต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยรือศีที่ที่มีใจเด็ดเดียวเนี่ยเขามีความคิดแบบนั้นนะแม้แต่รือศีเนี่ยที่จริงรือศีมีหลายประเภทนะในเรื่องของรือศีหลายๆายประเภทนั้นถ้ามีโอกาสจะได้กล่าวครั้งต่อๆไปแต่ว่ารือศีนี่มีหลายชนิดด้วยกันนะรือศีแบบนี้ก็เรียกรือศีแบบชนิดเคร่งที่สุดในบรรดารือศรีรือศีบางประเภทก็มีแบบมีลูกมีเมียก็มีรือศีบางประเภทไม่มีลูกไม่มีเมียแต่จะสอนคนอย่างเดียวก็มีมีหลายชนิดด้วยกัน ต่อไปนะัอัถฐโทสมมากินนังปะชะเหิงปันนัสสาระกัางความว่าเราละอย่างไรได้ยินว่าสุมเมศบัณดิตนั้นเปลืองผ้าสาดกเนื้อดีทั้งคู่ออกแล้วถือเอาผ้าเปลือกไม้สีแดงเช่นกับพวงแห่งดอกอังกับซึ่งคล้องอยู่ที่ราวจีวรแล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีดังทองอีกผืนหนึ่งบนผ้าเปลือกไม้นั้นกระทำหนังเสือ พร้อมทั้งเล็บเช่นกับสันฐานของดอกบุญนาผาดเฉียงบา่ารวบชดามนทนแล้วสอดปิ่นปักผมทำด้วยไม้แข็งเข้าเข้าไปตรึงไว้กับมวยนะเพื่อทำให้ไม่ไหวติงได้วางคนโทน้ำเนี่ยนะมีสีดังแก้วประพานในสาหรกเช่นกับพวงแก้วมุกดาถือเอาหาบโค้งในที่สามแห่งคล้องคนโทน้ำไว้ที่ปลายหาบ ขอและตะกา้าไม้สามง่ามเป็นต้นไว้ที่ปลายข้างหนึ่งเอาหาบดาบทบริคารวางไว้บนบา่าเอามือขวาถือไม้เท้าออกไปจากบนนารรณศาลาเดินจงกรมไปมาบนที่จงกรมประมาณหกสิบศอกมองดูเพศของตนแล้วคิดว่าคือเรียกว่าพอแต่งตัวแบบเป็นดาบทสมบูรณ์แบบด้วยเครื่องนุ่งห่มปุ๊บมีความคิดเลยนะมโนรสมโนรสก็คือความปรารถนาของเราถึงที่สุดแล้ว การบรันประชาของเราเนี่ยงามจริงเนาะว่างันนะท่านคิดว่า ง, งามนะคนอื่นงามด้วยหรือเปล่าเนาะขึ้นชื่อว่าบันประชานี้อันท่านผู้เป็นทีระบุรุษทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าพระปเจกับพระพุทธเจ้ า, เ, จาเป็นต้นสรรเสริญชมชเชยแล้วเครื่องผูกมัดของเครือขัดเราละแล้วเรากำลังออกบวชเราออกบวชแล้วได้บันประชาอันสูงสุดเราจะกระทสมณธรรม จากได้สุขอันเกิดจากมรรคผลโอ้นะมีความสุขโอ้จะได้ปฏิบัติกิจของส ม, มณะเต็มที่แล้วผลของส ม, มณะก็จะสาเร็จประโยชน์กับวันนี้แล้วเหมนนครับมีความอิ่มใจเต็มที่เลยนะซาวะตอนบวชนี่ปุ่มอยังไงล่ะดังนี้แล้วก็เกิดความอุตสาหะวางหาบดาบทบริขารลงนั่งลงบนแผ่นหินมีสีดังถั่วเขียวเหมือนดังรูปปั้นทองฉะนั้น ให้เวลากลางวันสิ้นไปโอ้ยนั่งสมาธิเคย อ, อยากอย่านึกนะว่าเขาไม่ได้ศึกษามานะเขาศึกษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาศึกษาเรื่องปฏิบัติว่าทํายังไงได้ชานได้อภิญญาได้อภิญญาเกิดขึ้นจะต้องทํายังไงยังไงเขารู้หมดแล้วนะก็อย่าลืมนะว่าคนสักคนหนึ่งที่จะทิ้งเงินเป็นร้อยรยโกรธทิ้งสมบัติทุกชนิดออกบวชไปอยู่ป่าเฉยๆเนี่ยคิดว่าเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะออกเดินดุมๆไปอยู่เอิ่มหน้าดีนะเขาไม่ขนาดนั้นแน่นอนพวกนี้วิจัยมาอย่างละเอียด เพราะเขาน้าว่าเขาฉลาดที่สุดในยุคนั้นอะนะในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาหัวดีที่สุดอ่ะเรียนจบเนี่ยบอกอาชีพเขาเรียนอย่างเดียวข้อมูลเนี่ยเรียนอย่างเดียวนะมันทรัพย์สินหรือความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมอะไรเนี่ยเขามีมากมายมหาศาลแล้วที่รู้อีกนะว่าดาบดทคนนี้เนี่ยทรงจําคำัมภีร์มหาปริศลักษณะด้วยเขาเนี่ยทรงจําคัมภีมหาปริศลักษณะเขาสามารถเห็นคนปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนลักษณะนี้เป็นยังไงยังไงยังไงเขาเขาจบมาขนาดนั้นเนละ เขาเขาแตกฉานมากตอนหลังเขาเดี๋ยวต่อไปจะมีว่าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยมนของเขาที่เขาศึกษามาเนี่ยตำรามหาปริศลักษณะที่เขาเรียนมาเขาเห็นเลยว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าเขาสามารถรู้ได้ขนาดนั้นนะเพราะฉั้นบางคนเราคิดว่าเอ๊ะมันง่ายง่ายเหมนก้นจะเรียนแบบบ้างไม่ได้นะเขาเขามีความรู้เพียงพอนะของเราถ้าจะทําตามบ้างก็ให้มันความรู้มีหน่อยเช่นเดินจงกรมเนี่ยนะให้มีความรู้หน่อยว่าเดินทําอะไร แต่ก็ดีนะดีกว่านั่งหน่อยมันจะได้เหยียดแข้งเหยียดขาเอามาเพึกเอามาพาจะได้ไม่กวนที่นี้ต่อไปว่าท่านก็เข้าไปสู่บาารรณาศาลาในเวลาเย็ยนนอนบนเสื่อที่ทักด้วยขแนงไม้ข้างเตียงหวายให้ตัวได้รับอากาศพอสบายแล้วตื่นขึ้นใกล้รุ่งคำานึงถึงการมาของต น, นหลับสนิทนะนะเดินทางมาโหปลื้มใจในการบวชตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมากลางดึกนั่นแหละก็เลยคิดว่าเราเห็นโทษในคารวาสแล้วสละโภคขสมบัตินับไม่ถ้วนยศอันหาที่สุดไม่ได้เข้าไปสู่ป่าสแสวงหาเนคขมมะบวชจำเดิมแต่นี้ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะประพฤติตัวด้วยความประมาทหาควรไม่เพราะแมะลงวันคือมิจฉาวิตกย่อมจะกัดกินผู้ที่ละความสงบสงัดเที่ยวไป มิดชา้ามิดตกเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนมแมลงวันนะแต่หากว่าไม่เรียบกาจัดไอ้อคุโสลวิตกันนั้นก็มแมลงวันเนี่ยตอมหึงเล่แหละวรางั้นบัดนี้ควรที่เราจะพอกพูนความสงบสงัดด้วยว่าเรามองเห็นการอยู่ครองเรือนโดยความเป็นของมีแต่ความกังวลจึงออกมาที่ออกมาบวชนี่มาได้บวชแบบคนไม่มีอะไรมานาะว่างั้นเถอะเห็นทุกเห็นท้อจริงๆอ่ะจึงออกมาบวช อันบรรณาาลาเนี่ยน่าพอใจนี้พื้นที่ซึ่งล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีสีเหมือนมะตูมสุกฝาผนังเนี่ยสีขาวมีสีราวกวาเงินหลังคาใบไม้มีสีด่งเทา้านกพิราบเตียงไหวมีสีแห่งเครื่องปูลาดอันงามที่อยู่พออยู่อาศัยได้อย่างผาสุขความพร้อมมูลแห่งเรือนของเราปรากฏเหมือนจะยิ่งกว่านี้ เอ๊ทำไปทำมาเนี่ยบวชมาก็เหมือนกับอยู่เรือนนิ่งต่างกันยังไงเนี่ยนะคือสีนี่คิดหนักแล้วเอ๊ตอนที่เราอยู่ที่บ้านมันก็คือไอ้ของมันใช้มันก็ดีกว่านี้แหละว่างั้นแหละแต่พอมาอยู่ที่นี่เอ๊ดูไปดูมาที่นั่งที่นอนที่อะไรเอ๊เอก็เหมือนอยู่บ้านเป๊ะเลยต่างกันตรงไหนเนี่ยดังนี้แล้วก็เลือกเฟ้นโทษของบรณารณศาลาอยู่ได้เห็นโทษแปดประการคิดเอง น, นั่งตึกแล้วมองเห็นเลยนะว่ากุฏิที่อยู่นั้นมีโทษแปดอย่างด้วยกัน ขอมาเนี่นั่งอยู่กุฏิมันตั้งหลายแล้วยังไม่เคยคิดว่ามีโทษเลยนะถ้าไม่ปัจเจวกนี่หายเงียบเลยถ้าไม่อ่านตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเออกุฏิที่อยู่ที่อาศัยก็มีโทษแปดอย่างแปดอย่างมีอะไรบ้างคือจะต้องแสวงหาด้วยการรวบรวมขึ้นด้วยท่าผมภาระที่มีน้ําหนักมากมากระทํานี้ก็เป็นโทษอันหนึ่งเลยเสาต้นหนึ่งเบาหรือเปล่านะเสาแต่ละต้นแต่ละต้นฝาแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยหลังคาแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะั้นของหนักทั้งนั้นแหละ โอต้องไปรวบรวมใบสัมภาระเหล่านี้มาประชุมประชุมกันเข้าก่อจะมาประกอบเป็นหลังเป็นเรือเนี่ยเออนี้ก็โทษข้อหนึ่งก่อนข้อสองก็ต้องซ่อมแซมอยู่เป็นนิดเพราะเมื่อหญ้าและใบไม้ดินเหนียวเรื่งองหล่นลงมาจะต้องเอาของเหล่านั้นไปวางไว้ในที่เดิมแล้วแล้วเหล่าๆซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะเหนียวปลวกก็กินมดก็ขึ้นอะไรก็เป็นอย่างนั้นข้อสองก็คือซ่อมใบอย่างนั้นแต่ข้สอขสามบรรดาเส ه. นาสนะต้องตกแก่คนแก่ก่อน เมื่อเขาเข้ามาก็ให้เราลุกในเวลาที่ไม่เหมาะความแน่วแน่แห่งจิตก็จะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ถูกปลุกให้ลุกขึ้นนี้จึงเป็นโทษข้อที่สามคือธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีอายุมากกว่านะถ้าบวชก่อนเนี่ยคนนั้นจะต้องมีอยู่กุฏิที่ดีกว่าเพราะพระพุทธเจ้านี่อนุญาตให้ว่าพระที่มีพรนามากกว่าต้องไปอยู่กุฏิชั้นหนึ่งนะองค์รองก็ล ด, ลดลดลดลดลงมาตามนั้นว่า ง, งั้นอาสนะที่เลิศอาหารบิณฑบาต ท, ที่เลิศ สมควรได้แก่ที่สุดที่บวชก่อนละกันเพราะฉะนั้นถ้าบวชแล้วต้องมาอยู่กุฏิอย่างนี้เนี่ยนะเกิดมีผู้ใหญ่กว่ามาเราก็ต้องลุกกลางดึกให้ท่านะต้องลุกให้นะต้องต้องลุกให้แต่ถ้าหากว่าเราจะบอกโอ้ยกุฏินี้กุฏิผมไม่ได้ขอพ่อของให้เขาสร้างนี่เขาไม่ได้สร้างให้ผมใช่ไหมเขาสร้างให้สงฆ์เมื่อสร้างให้สงฆ์เนี่ยต้องใช้แบบเงื่อนไขกติกาของสงฆ์กติกาของสงฆ์มีอยู่ว่าถ้ากุฏิหนึ่งหลังเนี่ยหน้าหนาวนะยกตัวอย่างมีผ้าอยู่สามองค์ที่นอนนอนได้คนเดียว นะมีพระอยู่สามองค์นี่ทำไงเขาบอกว่าหารสามกลางคืนนี่หารสามองค์นี้อยู่ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ทุ่ม อ, องค์นี้อยู่ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสององค์นี้อยู่ตีสองถึงสว่างต้องแบ่งนะต้องหารกันนะถ้าของสงอะ่นะถ้ามีหลายหลังของดีหน่อยพระเถระก่อนรองลงมาก็องค์ที่สองที่สามที่สี่เนี่ยต้องยกให้เข้าไปตามนั้นนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นไม่มีเงื่อนไขยอย่างนั้นเนี่ยมีโทษนะใช้ของสงเหมือนของส่วนตัวเนี่ยมีโทษมากมาย เขาจะบอกว่าโอ้ยของผมผมที่ไหนของสงอ่ะทีนี้ต่อไปนะว่าเพราะกําจัดเสียได้ซึ่งหนาวและร้อนก็จะทำให้ร่างกายบอบบางไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นโทษของข้อที่สี่นะโทษข้อที่สี่ของเสนาสนานะคือถ้าหากว่าการที่อยู่ที่มุงที่บางอย่างดีเนี่ยนะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมอนงั้นเถอะคืออากาศก็ไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปร่างกายกลายเป็นคนบอบบางไปเลย ก็เหมือนกับคนอยู่ในร่มตลอดตลอดเนี่ยนะออกแดดหน่อยโอ้ยทุกข์เหลือเกินอย่างเงี้ยพอมัวแต่อยู่ในร่มเหมือนร่างกายบอบบางไปอย่างเง้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะข้อต่อไปนะคนเข้าไปสู่เรือนอาจทําความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการที่ปกปิดสิ่งที่น่าตีเตียนอันนี้ก็เป็นโทษข้อที่ห้านะอยู่ในห้องลับเนี่ยนะบางทีเนี่ยคิดบาปเลยเนะาะทวอยู่ในห้องลับมีเตียงนุ่มๆคิดบาปทันทีเลยลักษณะนั้นอนะันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ คือที่อยู่ดีๆเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยให้มันล่วงอาคุศลไปไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะนะนะได้ที่นอนดีถ้ามีคนจะมาแย่งพยาปาทาวิตกก็จะมาเกิดอยากให้คนมานั่งเคียงข้างก็กามาวิตกก็เกิดนะนะนื่ถึงคนที่เคยดูถูกดูหมิ่นเราน้าจะไปเหยียดย้ำจะไปเอาคืนก็มั่งนะวิหิงสาวิตกก็จะเกิดอะ่ะท่านพอไปได้ที่บางที่เนี่ยนะอาคุศลวิตกมันเกิดเลยนะเหมือนพระเมขียะพระเมขียะท่านเข้าไปในสวนมะม่วงเข้าไปนั่งในที่แห่งหนึ่งใช่ไหม นึกถึงโอ้ที่ตรงนี้เนี่ยอุปนิสัยที่ท่านเคยเป็นพระราชาตรงนั้นมาหลายชาติอะ่ะก็นึกถึงว่าโอ้ในชาติตะก่อนมีนางสนมกำนันมาห้อมล้อมมาบริวารเนี่ยคี้เพลินไปะนะการ ม, มาวิตกก็เกิดขึ้นอีกเสร็จแล้วอีกพักหนึ่งว่าโอ้มีคนว่าจับโจรมานึกถึงโอ้สั่งฆ่ามันนะอันนี้ก็พยาปาท่าวิตกก็เกิดอีกคนหนึ่งเอามันไปเคียนนะเอาไปตีเอาไปหวดวิหิงสาวิตกก็เกิดอย่างเงี้ยพวางันอยู่ที่นั้นแหละ อกุศลไม่ตกเนี่ยเกิดตลอดเพราะฉะนั้นไอ้โพธพารมบางอย่างเนี่ยนะมันเป็นอุปนิสัยให้อกุศลเกิดง่ายเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าที่อยู่แบบนี้มันมีโทษนะเนี่ยคืออีกโทษข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นโทษข้อที่หกก็คือการห่วงแหนด้วยคิดว่าเป็นของเรานี่ก็เป็นโทษข้อที่ 6. หกห่วงแหนใช่ไหมอยู่ไปพักหนึ่งเอ๊ใครจะมาแย่งหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมอยู่ๆจะไปที่อื่นเดี๋ยวคนมาแย่งกุฏิอย่างเงี้ยไม่ได้ อันนี้ก็มีโทษข้อที่หกข้อเจ็ก็ว่าธรรมดาการมีเรือนแสดงว่าต้องมีภรรยาอันนี้เป็นข้อเจ็ดใช่ไหมอยู่ที่ห้องเงียบๆก็นึกถึงคนข้างเคียง ล, ละส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้ข้อแปดก็คือเป็นของทั่วไปแก่คนหมู่มากเพราะเป็นสาธารณะแก่สัตว์มีเลนเลือดและตุ๊กแกเป็นต้นนี้ก็โทษข้อที่แปดนะทั้งตุ๊กแกทั้งหนูทั้งอะไรมารวมมันอยู่ในนั่นแหละเพียบเลยโทษของที่อยู่อาศัยโทษของกุตรมีแปดอย่าง เห็นแต่คุณเน่ยนะหลับ <plex> สบายสบายนะมีใครัวนี้นะอันนี้ก็เห็นแต่อันนี้สองอย่างเดียวนะแล้วก็มีโทษนะกว่าจะหาได้แต่ละหลังแต่ละหลังเนี่เหน็ดเหนื่อยขนาดไหนนะเหนื่อยนะกว่าจะแต่งเสร็จอะไรเสร็จแต่งเสร็จแล้วก็กวาดเช้ากวาดเย็นเช็ดถูอีกนั่นแหละอือีนั่นแหะไม่แล้วไม่เป็นเพียงยอมจําได้แบบกวาดบ้านมากี่ครั้งแล้วแต่ถ้าบอกว่าคุณมีบ้านหลังนี้นะสมมติวะคุณต้องกวาดอย่างนี้เช้าเย็นนะ คุณอยู่สามสิบปีคุณกวาดนะเอาสองคูณสามสิบปีเข้าไปนะคุณมีถ้วยคุณต้องล้างเท่านี้นะคูณเข้าไปคุณต้องกินข้าวเท่านี้คุณต้องล้างชามกี่ครั้งนะคุณต้องหุงข้าวกี่ทีคุณต้องเคี่ยวข้าวกี่ครั้งเนี่ยนะถ้ามารู้แบบนี้ก็เออมันจะไม่สนุกเลยนะแต่เราไม่ค่อยคิดกันนะะมันเพลินในวันหนึ่งนันหนึ่งลืมเลยเพราะฉะนั้นท่านเห็นทอดของบรรณศาลาแปดอย่างนี้ก็เลยบอกว่าบทว่าอุปาคมิงรุกขมูลัง คู่เนทสักคู่ปาหตังความว่าพระมหากัตวย์กล่าวว่าเราห้ามที่มุงที่บางเข้าไปหาโคนต้นไม้ที่ประกอบด้วยคุณสิบประการนี่นคุณลุ่งที่ว่าจะถือเนสัตชิกอะเนสัตชิกเนี่ยนะหรือว่าจะไปอยู่โคนไม้เนี่ยมีอันนี้สองสิบอย่างสองสิบอย่างในข้อ น, นั้นก็คือมีความยุ่งยากน้อยเป็นคุณข้อที่หนึ่โอ้ไม่มียุ่งเลยนะเอาเสือใบ ป, ปูพักเดียวเรียบร้อยเลยนะเขาคุณลุงเขามีโคนต้องนมะม่วงหรือทิ่ง น, นะ เอาเสือไปมุงไว้นอนกี่พังไปเนอาเสือไปปูไว้โคนต้นมะม่วงอันนี้ข้อที่หนึ่งนะมันยุ่งยากน้อยข้อสองเพราะเพียงแต่เข้าไปเท่านั้นก็อยู่ในที่นั้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องดูแลรักษาอันนี้เป็นคุณข้อที่สองดูเหมือนเหมาะสําหรับคนขี้เกียจนะฟังไม่ดีนะคนขี้เกียจเท่านั้นแหละจะไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเขาจะได้เลิกกังวลกับเรื่องเหล่านี้จะได้ไปคิดเรื่องฌานให้ได้มากๆ จะได้ไปคิดสมณธรรมให้เยอะๆนะตัดทาระด้านหนึงออกไปข้อสามก็ที่นั้นจะปัดกวาดก็ตามไม่ปัดกวาดก็ตามก็ใช้สอยได้อย่างสบายเหมือนกันการที่ไม่ต้องบากบกั่นนะักเนี่ยนะนี่ก็เป็นคุณข้อที่สามไม่ต้องไปปริโพดกังวลเรื่องดูแลเช็ดถูปัดกวาดอะไรสักอย่างอ่ะนะไม่ค่อยกวาดเขาก็ไม่ค่อยตำเหนียนะไม่นั่งอยู่อย่างนั้นแหละดแต่ว่าเออถ้าเราไม่กวาดบอกเออถ้ากวาดเดี๋ยวมันจะหมดธรรมชาติองนั้นนะ ฟังยังพอฟังขึ้นมังกุติบ้านรกมัวแต่ติดงานไม่ได้กวาดบ้านอันนี้ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ข้อที่สี่บอกว่าที่นั้นปกปิดความนินทาไม่ได้เพราะเมื่อคนกระทําความชั่วในที่นั้นย่อมละอายเพราะฉะนั้นการปกปิดความนินทาไม่ได้อันนี้เป็นคุณข้อที่สี่ใช่ไหมแอบทําชั่วได้ไม่ขนาดนั้นนะแต่ทําไม่ดีไม่ร้ายอย่างไรอย่างหนึ่งโคนต้นไม้แง่แต่คนก็มองเห็นหมดอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าทำใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยนะช่วยให้เกิดฮิริโอตาปะได้ง่าย ข้อที่ห้าโคนไม้เหมือนกับอยู่ในที่กลางแจ้งย่อมไม่อย่างร่างกายให้อึดอัดเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายไม่อึดอัดจึงเป็นคุณข้อที่ห้าอากาศมันถ่ายเทใช่ไหมก็เลยทําให้สุขภาพดีไปด้วยหาเก้าอี้สักอันหนึ่งไปนั่งโคนไม้ดูนะเผื่อจะได้อา น, นิสงส์งอย่างนี้บ้าง <c oughs> แล้วก็ข้อหกเขาบอกว่าไม่มีการต้องทําการห่วงแหนเอาไว้เป็นคุณข้อที่หกถ้ามีแขกมาเออท่านอยู่โคนต้นนี้นะเดี๋ยวผมไปอีกต้นหนึ่งก็แล้วกันอนะ สามารถสละได้ง่ายๆไม่ยากนะไม่ห่วงเลยท่านเอาต้นโตๆหน่อยนะอย่าไปอยู่โคนต้นมะพร้าวไปต้นตานกันแลน้วทันไม่ได้ต่อไปนะห้ามเสียได้ซึ่งความอะไรในบ้านเรือนนี้เป็นคุณข้อที่เจ็ดถ้าฝึอกอยู่โคนไม้บ่อยๆนั้นไม่ห่วงบ้านเลยนะใครจะอยู่ก็อยู่ไปข้อแปดก็บอกว่าไม่มีการที่จะต้องพูดว่าเราจะปัดกวาดเช็ดถูพวกท่านจงออกไป แล้วก็ไล่ไปเหมือนในเรือนที่ทั่วไปแก่คนมูมากอันนี้ก็เป็นคุณข้อที่แปดนะเวลาปัดกวาดเช่ดถูสะดวกมากข้อเก้าบอกว่าผู้อยู่ก็ได้รับความเอิบอิ่มใจอันนี้ก็เป็นคุณข้อที่เก้าไม่ต้องอาลไลอาวรนเพราะเสนาสนะคือโคลนไม้หาได้ง่ายไม่ว่าจะไปในที่ไหนอันนี้เป็นคุณข้อที่สิบนะถ้านอนโคนไม้ต้นหนึ่งหลับเลยนะประเทศไทยเนี่ยโอ้ต้นไม้เยอะแยะไปหมดนั้นสแสดงว่างูเนี่ยไม่ขุดนะ แต่ว่าอยู่ก็ทําตัวแบบงูเลยใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ได้ใครปลูกต้นไม้ไว้ดีๆเนี่ยเสร็จเราแล้วนะเขาไม่ค่อยห่วงนะขออาัยนั่งพักต้นไม้หน่อยเ <c oughs> ขาไม่ห่วงหรอกเว้นไว้แต่ต้นไม้ดกๆท่านลูกมันดกๆลูกมันอะไรอะไรนะอย่าไปขอเขาน้ต้นแบบนั้นอ่ะนั้นมันสะดวกนะถ้าหากว่าพักโคนไม้ได้เนี่ยที่ไหนก็บ้านเราหมดแหละเ <c oughs> <ๆ c oughs>พราะฉะนั้นอ่าพระที่บวชเข้ามาอุปชาจึงให้อนุศาสต์ใช่ไมอนุสาสต์ก็บอกว่าอาหารก็ด้วยปลีแข่งนะ ถ้านอกจากอาหารนั้นเขาเรียกว่าลาบหลือเฟือกันแล้วกันยาก็น้นําดองด้วยน้ํามูดเน่านะเพศสัตว์ที่เหลือเขาเรียกว่าลาบหลือเฟือดีเรียกกันลาบาจีวรก็คือผ้าบางสกุล น, นะเก็บตามถนนตามตรอกเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเหลือจากนั้นเขาเรียกว่าลาบหลือเฟือที่อยู่อาศัยก็โคนม้ยถ้ากุฏิก็ถือว่าลาบหลือเฟือกันแล้วกันเพราะฉะนั้นบอกว่าทําใจไว้ที่สุดแม้แต่สี่อย่างนี้ได้ก็สบายและชีวิตแล้วท่านบอกว่า ความสันโดษในปัจจัยสี่นะทั้งจีวรอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคนี้เป็นวงของพระอาริยเจ้าเป็นอริยะวงของพระอริยะในอดีตแล้วก็พระอริยในอดีตไม่ทอดทิ้งและไม่ถูกทอดทิ้งแม้พระอริยะที่จะพึงมีในอนาคตท่านก็จะไม่ละทิ้งความสันโดษในปัจจัยสี่อย่างเหล่านี้และพระอริยที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยินดีในในสันโดษในปัจจัยสี่เหล่านี้ และพระอริยะเหล่านั้นจะยินดีในภาวนาคือเมื่อไม่ต้องมาห่วงกั้นกับเรื่องเสนาสนะจีวรก็เก็บข้าข้างถนนก็หฮมได้แล้วต่อไปนะอาหารบินทบาทเนี่ยนะเช้าบินทบาทมาก็อยู่ได้แล้วที่อยู่อาศัยโคนไม้ก็นอนได้แล้วถ้าเกิดป่วยมาโอ้ปัสสาวะเราก็มีหาผลไม้มาดองๆาสมัยก็กินได้แล้ว น, นั่นก็เป็นยาเรียบร้อยแล้วเอะชีวิตก็มีเท่านี้เอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรท่านบอกข้อต่อไปก็คือยินดีในภาวนา ยินดีในภาวนาคืออะไรก็คือละกาหมวิตกด้วยเนคขมวิตกละกามฉันทะด้วยเนคขมะละพยาบาทะด้วยอัพยาบาทะละทีนมิทะด้วยอาโลกาสัญญาละวิจิกิชาด้วยการกําหนดธรรมละความฟุ้งซ่านด้วยความสงบละความไม่ยินดีด้วยความปราโมดละอวิชาด้วยปัญญาและก็ละนิวรห้าด้วยปฐมฉานท์ท่านก็เริ่มละของท่านไปด้วยนะ จนถึงละวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยะฌานละปีติ ด, ด้วยตาติยะฌานละสุขด้วยจตุทธาฌานละรูปปัจสัญญาปฏิฆาสัญญานาณตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะละอากาสารัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะละวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะละอากินจั ญ, ญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะละนิจจสัญญาณิจจวิปลาดด้วยอนิจจโนปัสสนา ละสุขาวิปลาสเป็นต้นด้วยทุกขานุปัสนาละอั ต, ตวิปลาส ด, ด้วยอนัตานุปัสนาละนันทิด้วยนิพิทานุปัสนาแล้วก็ละความกำหนัดความยินดีด้วยวิราคานุปัสนาละสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสนาละความยึดถือด้วยปฏินิสคานุปัสนาละนิมิต ด, ด้วยอัปนิหิตานุปัสนาท่านก็จะไปของท่านเรื่อยจนถึงละ สังโยดสามเบื้องต่ำด้วยโสดาปฏิมั ก, กละจนถึงละกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมักอันพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีวงสี่อย่างคือหนึ่งสันโดษในจีวรสองสันโดษในบินทบาทสาสันโดษในเสนาสะนะข้อสคือยินดีในภาวนานี้คือวงของพระอริยะพระอริยะในอดีตท่านไม่ละทิ้งท่านก็ประพฤติแม้พระอริยะที่จักมีในอนาคตท่านก็เป็นอย่างนี้พระอริยะที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ วังนนี้ในอริยะวังสสูตรอังคุตระนิการเจตุกะนิบาศนะจะดูได้วงนั้น่ะเป็นวงของพาริยะพ า, าริยะจะไม่ทอดทิ้งข้อปฏิบัติเหล่านี้เลยแต่ก่อนนี้ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องชาดกนะมาฟังวันนี้แล้วเอจะต้องไปอ่านชาดกเงี้ยแต่ก่อนนี้ไม่สนใจเรื่องเทรีคาถาเทระคาถาและไปอ่านเออเทระคาถาเทรีคถาข้อหน้าอ่านเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านอยู่ชาดกเห็นท่าจะต้องกลับไปอ่าน แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะถ้าเราอ่านเองก็ได้รสชาติไม่เหมือนกับท่านอาจารย์ <c oughs> เป็นคนนํามาอธิบายด้วยอ่านให้ฟังด้วยนี่มีรสชาติผิดกันเยอะนะครับแต่เห็นที่ต้องกลับไปอ่านบ้างแล้วครับรสชา ด, ดกนี่รสชา ด, ดกเยอะซะด้วยดิหนะักี่เล่มนะครับท่านมีเกือบสี่เล่มนะเทะรักคาถาเทรีคาถามีอยู่ประมาณสี่ห้าเล่มก็ไม่น้อยนะ สิ่งเหล่านี้นี่เป็นทรัพย์นะเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์คือสุดตานะถ้ามองเป็นรัพย์เมื่อไหรจะเป็นคนนะ่ะคนมีบุญเน่ยนะจึงจได้ร่วมร่วมกับคนมีบุญมา ง, งั้นเถอะพุทธที่เรียกว่ า, าธาตุคือปัญญาเนี่ยนะก็จะไปรวมอยู่ใกล้ๆธาตุที่มีปัญญาเพราะนั้นคนที่มีบุญคล้ายคลึงกันก็จะไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกันถ้าบุญน้อยหน่อยก็ห่างหน่อยบุญน้อยหน่อยก็ห่างไปเรื่อยๆถ้าบุญไม่มีเลยก็เกิดในประเทศที่ไม่สมควร นะเมื่อได้เกิดในประเทศที่ไม่สมควรก็จะทําให้ได้คบป่าประมิทเมื่อคบปาประมิทปาประมิทก็ชวนทําให้เกิดอกุศลอกุศลก็ล่วงมาทางกายกรรมล่วงทางวจีกรรมและล่วงทางมโนกรรมอกุศลเมื่อเสพมากๆเข้ามิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดนะเมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดมากๆคติสองของมิจฉาทิฏฐิก็คืออบายกับอานรกกับเดรัจฉานแต่ถ้าหากว่าไปเกิดในนรกนะยังสํานึกบ้างนะตอนที่อยู่ในนรกนะี่นะ แต่ว่าเป็นเดรัจฉานไม่มีโอกาสสำนึกเลยแต่ว่าพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นชีวิตของสัตว์เมื่อไปอบายแล้วไม่มีโอกาสทบทวนถึงพฤติกรรมคำพูดของตัวเองว่าที่มาสูญเสียขนาดนี้เพราะอะไรไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบุญเนี่ยจึงเป็นทุกขอย่างยิ่งนะอันการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายมีบุญสัตว์ทั้งหลายก็จะได้มีตาก็ได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นทัศนานุตริยะ มีหูก็จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของท่านเป็นสวนานุตริยะนาะมีจิตมีใจก็เป็นใจที่มีศรัทธาต่อพระริยเจ้าเป็นต้นก็เป็นลาพานุตริยะได้รับใช้ได้อุปทากรได้ปฏิบัติก็เป็นปาริจริยานุตริยะแล้วก็ได้มีการศึกษามีการปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าศิขานุตริยะก็จะได้สิ่งที่เลิศได้สิ่งที่ประเสริฐอีตั้งหลายอย่าง ภาพประพฤติในชาตินี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปุเพกาตปุญญาตาของชาติต่ อ, ตอไป